เรื่องความรู้ที่พอดีเพื่อดับทุกข์ตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าโยหิโกจิภิกเวภิกขุฉันนังสลายจะตังอุปาหันจะสมุภยันจะอัปสาทันจะอาธีนวัจ น, า น, านจะนิสารนันจะภิกโส คู้ใดไม่รู้ซึ่งอาตนะการเกิดขึ้นเหตุให้เกิดขึ้นสเสนเยาะล้อความพอใจโทษของมันและก็หนทางออกจากมันถ้ามาว่าอารากาโสธรรมวินายยังไกลห่างจากธรรมวินยัยนี่มากเพราะธรรมวินัยนั้นเป็นเครื่องถอน เป็นเครื่องถอนออกจากสิ่งเหล่านี้เครื่องถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจากโลกเพราะเห็นนั้นเราจะเห็นสภาพความเป็นจริงอันหนึง่งในความรู้โดยทั่วไปไม่ว่าใครทั้งนั้นศาลาวาสิ่งมนุษย์มันก็มี common sense มี instincts of r i f e มีสามัญสำนึกมีสัญชาตญาณ หูได้ยินเสียงตาเห็นรูปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจนึกคิดเหมือนกันทั้งคนแะัตว์นี้ที่นี่มีความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งมันจะต้องมากระทบการตลอดกับอายตสนัายนอกรวกเสียงกลิ่นรสโภพภารมณ์เส ร, ร็จแล้วมี่เราก็รู้ หลงเข้าไปในอาการที่รู้สุบุรีที่มันก็สัมผัสอร่อยขึ้นมาพอใจหลงเข้าไปในรสมานเคี้ยวมาก็หลงเข้าไปในรสของหมากหลงก็ไปในความรู้ว่าอร่อยในมากหลงก็ไปในอาการที่รู้ว่าถูกใจพอใจในรสชาติของบุรุีแพงแค่ไหนก็ไปซื้อมาสู้ คนธรรมดาสามัญยังชั่วน้อยเพราะยังเป็นปุถุชนคนนาะแต่ผู้ที่บวชที่ถือว่าเป็นพระผู้มีชื่อเสียงโด่งดังบริวารล้อมหน้าล้อมหลัง <c oughs> เป็นร้านขี้ยาหน้าสมเพศเวทนาที่สุดแหละมีเรียกว่าหลงเข้าไปในอาการที่รู้ ต่อมารู้เข้าไปในอาการที่หลงเชื่ฟังให้ดีนะโง่ก็มาห่ยรู้เข้าไปในอาการที่หลงไม่ได้ต้องได้รับปาิญญาอะไรดอกอย่างเราหลงความพอใจหลงความไม่พอใจก็ให้รู้จว่าอันนี้ความพอใจเกิดขึ้นอันนี้ความไม่พอใจเกิดขึ้นในส่วนของเวทนาดูขันห้ามันทำงานย่ง ตนเองลงข้าไปในการโศโบยการเขี่ยมมามีปัญญาที่รู้เข้าไปในอาการหลงว่าโอ้นี่เราตกเป็นหาสสิ่งเหล่านี้แล้วโว้ยจิตของเราสยบหมกมุ่นอยู่เพียงแค่นี้อย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นอาัศาถาของมันพอต่อมาก็เห็นโทษของมันว่าเมื่อเราไม่ได้โศอารมณ์เราไม่ดีอย่างนี้เราดุด่ากระฟึกระฟาด เป็นอยากเป็นมารไม่ได้เคี้ยวงดงิดอย่างนี้โว้ยจิตไม่เป็นอิสระโอ้นี่เป็นอารทินวาวัตโทษของมันโทษของมันอย่างนี้เวลาออกไปจากมันบังคับก็จะออกไปจากมันนะมัน ต, ตัวเป็นท่าของมันปลดปลอด่อยจิตใจให้เป็นอิสระโดยรู้เท่าทันสิ่งเล้านี่มันกระลายเป็นนิสระนะ เห็นทางออกนิสระนาไปว่าออกไปออกไปเห็นอาสาทะรดอร่อยที่หลงติดเห็นอาธินวัตโทอันต่ำสามที่ทำให้งดงิดงัวเมาใจเป็นยะเป็นมานใครมาพูดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ได้ประเสียดแทงแข็ ง, ขงห้วงแหนเลอะเกินสิ่งเหล่านี้เคยเห็นโทษของจิตที่ตกตกลงใต้อำนาจของมันอย่างนี้ แล้วก็ออกจากมานเห็นทางออกจากมาันโดยไม่ยุดมั่นถือมัม่นมั่นเข้าใจชัดเจนขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่ารู้เข้าไปในอาการที่หลงเคยฟังให้ดีนะปริญญาด็อกเตอร์โพสต์ด็อกเตอร์เลดมันก็ยังไม่รู้เข้าไปในอาการที่หลงขอ ง, งนะอตนเองอย่างนี้อย่างนี้จะเรียกว่า เป็นการฝึกตนพอสมควรเทนี้สูงขึ้นมารู้ในอาการที่รู้รู้เข้าไปในความรู้ช่วยฟังให้ดีนะรู้เข้าไปในความรู้รู้ในอาการที่รู้ตัวนี้มันจะเป็นยาตาปริญญากำหนดรู้ รู้โดยการกำหนดรู้รู้เฉยเฉยรู้เข้าไปในอาการที่รู้หรือว่ารู้ในรู้รู้เข้าไปในความรู้ช่วยฟังให้ดีแต่นี่คือเะต้องใช้สติฝึกฝึกให้สติมันเร็ว fix e n up เร็วทันรู้อย่างสมว่าหู ได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงก็รู้ว่ามันได้ยินตาเห็นรูปรู้ว่าเห็นรูป ก, ก็รู้ว่ามันเห็นจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสมัมผัสใจนั้นคิดก็รู้เฉยๆเพราะว่ามันคิดอีกอย่างยังยังยังไม่ต้องไปทําอะไรมันรับรู้มันอยู่ตลอดก็จะเห็นการทํางานของอายตะนะ การสืบต่อสนติระหว่างอายตนะภายนอกต่ออายตนะภายในนี่ก็จะมาสืบต่อกันอยู่ตลอดตลอดการตลอดการส่วนผู้รู้ตรงนี้ก็รู้เข้าไปยังความคิดมันเกิดขึ้นความคิดจะมันเกิดขึ้นมันจะคิดเท่าไหร่ช่างมันเราก็รู้ว่ามันคิด คิดอดีตก็รู้ว่ามันคิดนอดีตคิดอนาคตก็รู้ว่ามันคิดเรื่องราวของอนาคตมันพอใจก็รู้ว่ามันพอใจมันไม่พอใจก็รู้ว่ามันไม่พอใจนี่เราก็จะเห็นการทำงานของขันห้าทำงานโดยไม่ต้องรู้จักชื่อมันก็ได้โดยไม่ต้องรู้จักชื่อว่าอันนี้เป็นรู้เป็นเวตนาสนัญญาสตงการวิญญาณ ไปนั่งแยกนั่งแยกเป็นการสร้างสัญญาใหม่ขึ้นมาบ้าพอไว้ไม่เราไปแยกมันก็ได้เพียงแต่รับรู้โอ้ไปรู้ไปรู้ไปให้เป็นอภิน ญ, ญายะอภิน ญ, ญายะอภิน ญ, ญายะมันจะ่างือนกับเรามานั่งอยู่ที่ริมถนนแล้วเราก็จะเห็นรถเนยวิ่งไปวิ่งมาเพียงไปวิ่งมาเราไม่ต้องไปขวางทางมันแล้วก็ไม่ไปวิ่งตามมัน เรานั่งโดยอยู่เฉยๆมันหมดปัญหาเอาเราเราเปรียบเทียบกันอย่างนี้คือความคิดที่มันคิดขึ้นสิ่งที่ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสได้คิดที่ภาษาบาลีเราพูดกันมาอานาถบินทิศเศรษฐีที่ภาษาลิบทเทศได้ฟังว่าที่ทางมุตัง ที่ทั้งสตังมุตังวิญญาณคืออารมณ์ใดที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้สอแวงหาได้พิจารณาด้วยใจก็ดีอย่างนี้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็หมดปัญหาอุปาทิยสามีนะ่น่าจะเมตันิสิตังวิญญาณังพระวิสติติไม่ยึดมั่นถือมั่น วิญญาณอาศัยอารมณ์ที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้แจ้งได้สแสวงหาจากไม่มีแต่ก็ไม่เกิดในภพนี้ไม่เกิดในภพไหนโลกนี้โลกไหนที่สุดแห่งทุกข์ตรงนี้มันเหมือนพูดเล่นถ้าไม่ทำไว้ในใจทีอันนี้คือลักษณะรู้เข้าไปในความรู้เมื่อกี้เราผ่านลงเข้าไปในอาการที่รู้เดี๋ยวนี้มารู้ในอาการที่ระลง เมื่อรู้ในอาการที่หลงแล้วมันก็ยังยังมีกําลังความหลงก็ยังมีกําลังแล้วก็ถอยออกมาอีกรู้ในอาการที่รู้รู้ในรู้เป็นญาตปริญญากําหนดรู้ลงไปกําหนดรู้ลงไปลักษณะเช่นนี้มันเป็นการศึกษาพระธรรมวินัยเป็นการศึกษาชีวิตทั้งชีวิต โดยไม่ต้องไปได้บริญยงปริญญามาทำตีโทเเอทไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะอรหันต์พระเรียเจา้าท่านไม่ได้ก็ไก่เอากรปั้นอ่านไม่ออกดอกแต่ท่านอ่านตลอดอ่านการทำงานของอาจตนานะอ่านการทางานของธาตุของขันนี่ท่านอ่านอันนี้อ่านใจนี้จะก็เลยจะดูตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นเห็นตามเป็นจริงรู้เข้าไป ในความรู้รู้ในอาการที่รู้นี้เราจะมีโอกาสศึกษาทั้งปีทั้งชาติทั้งวันทั้งคืนทั้งลตลอดกาลไม่ต้องไปที่ไหนอยู่ที่ไหนก็เอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิน้นเอากายอาใจไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มีอยู่ทุกอนุทุกอนุของโลก ประสบการณ์ที่คนทั้งหลายบอกว่าไปเที่ยวหาประสบการณ์กันเถิดขึ้นภาคเนื้อลงปากใต้ไปเมืองนอกต้อยขึ้นฟ้าบนอากาศอีแวคิวอัม อ, อวกาศถึงดวงจันดาวอังคารนโปเคตต่างๆสุริยะจกาาักรวาลโซลาซิสเต็มกาแล็กซี่ไหนก็ตามมันไม่มีอะไรมากเกินกว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นรินได้รูกายได้สัมผัสใจนึกคิด ไม่มีอะไรมากเกินกว่านี้คําว่าประสบการณ์เอ็กซ์เพียเรียนที่เขาไปหากันนั้นมันจะไปที่ไหนมันมีอยู่ตลอดการคนฉลาดขาใกล้ๆคนบ้าใบขาไกลๆแล้วศึกษาชีวิตศึกษาความรู้จากชีวิตจากขันจากท่าจากอาเยนนะความรู้ชนิดนี้ไม่มากไม่นอ้อยเป็นความรู้ชนิดที่พอดีที่จะดับทุก เมื่อรู้อย่างนี้ทุกขณะที่มันคิดเ ร, out, เราก็รู้ว่ามันคิดเมื่อมันพอใจเรารู้ว่ามันพอใ จ, แ, อใจแต่เราจัไม่เป็นเจ้าของความคิดไม่เป็นเจ้าของความพอใจเมื่อมันไม่พอใจเราก็รู้ว่ามันไม่พอใจเราก็า <ties. S 1> จะไม่เป็นเจ้าของมันดูอาการของมันอย่างนี้เรียกว่ารู้เข้าไปในอาการที่รู้รู้เข้าไปในความรู้ร ความยิงถ้ารู้เข้าไปในความรู้มันก็หมดปัญหาเพียงแค่นี้เดี๋ยวนี้มันหลงลงเข้าไปในในสัในตัวสภาวะที่รู้หลงเข้าไปในตัวความรู้เต่ที่เราจะรู้ในสภาพที่มันหลงต่อมาก็รู้ในตัวความรู้เองรู้ในความรู้ ถ้าเห็นรู้ในความรู้อย่างนี้มันก็จะหมดปัญหาความคิดคิดขึ้นก็รู้คิดทั้งวันฉันจะรู้ทั้งวันคิดร้อยครั้งรู้ร้อยครั้งคิดพันครั้งรู้0 0นครั้งตัวรู้นั้นไม่ใช่ตัวไปคิดตัวคิดไม่ใช่ตัวที่เขาไปรู้กันตัวคิดไปคิดมานั้นมันเป็นตัวอารมณ์ที่มาสัมผัสกับจิตภายในตัวรู้นีคือตัวสติ สามประชัญญะที่เราฝึกให้มันมีให้มันแข็งให้มันแกข่งให้มันเก่งขึ้นแต่นี้เรียกว่ารู้เข้าไปในความรู้ทีนี้เมื่อรู้เ้าในความรู้แล้วก็จะเห็นอีกอันหนึ่งในสิ่งที่เรารู้ในสิ่งที่เรารู้คือความจริงของสิ่งที่รู้ ความจริงของตัวผู้รู้นั้นอาและ ล, ะลองฟังดูให้ให้ให้ละเอียดเข้าไปอีกทีหนึ่งว่าแต่ก่อนเราหลงเข้าไปในความรู้ต่อมาเรารู้เข้ามาในตัวความหลงถอยออกมาอีกละเอียดมาอีกก็รู้เข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในสิ่งที่รู้ตอนนี้ละเอียดามาอีกคือรู้ความจริง ในตัวความรู้เราจะเห็นอันหนึ่งว่าเมื่อเรารู้ความคิดนี่ก็ดีรู้มากๆค่าวก็จะเห็นมาอ้าวไม่ใช่เราคิดโว้ยมันคิดเองไม่ใช่เราดูโว้ยมันเห็นเองตาไม่บอดไม่ใช่เราฟังเสียงโว้ยหูได้ยินเองไม่ใช่เรารักเองโห้ยไม่ใช่เราชังเองโว้ยอันนี้ก็เป็นลักษณะของเวทนา ที่มีอุปทานเขาไปยึดหนึ่งแตรู้มันอีกทีหนึ่งไม่ก็ไปยึดก็เห็นการทํางานของเขาโดยธรรมชาติเขาอย่างนั้นไม่รู้เข้ารู้เข้าอย่างนี้มันจะเรื่องสั้นละไม่ใช่เรื่องยาว ม, มันจะเหมือนกับไปดูหนังลักษณะที่หลองเข้าไปไม่มีความรู้ก็เหมือนกับเราดูหนังในจอ เขารักก็รักกับเขาเขาชังก็ชังกับเขาพระเอกนางเอกโจรผู้ร้ายเป็นยังไงรักพระเอกเชียร์พระเอกเกลียดชังผู้ร้ายอยู่ในนะั้นร้องไห้กับเขาหัวเราะกับเขาอยู่ในจอหนังนั้นที่นี่รู้ในสิ่งที่ร้องก็คือดูหนังแล้วก็วิจัยวิจารณ์ไปนในตัวเลยเรามันบ้าเองลองไปทำไมเนี่ยมันหนังไม่ใช่เรื่องจริงจังขเขาหลอกเลือ เห็นภาพเห็นอะไรก็ไม่ต้องเกิดความกำนับซิลมิเลอิมชั่นขึ้นมาอ้านี่ก็เรียกว่ารู้เข้าไปในความหลงแล้วถอเอามาอีกรู้เข้าไปในความรู้ในขณะที่มันเห็นนั่นเราเราไม่ดูจอซะแล้วทีเนี้ยเราก็มาดูที่ฟิล์มฟิล์มหนังที่มันเป็นภาพอยู่ในแผ่นบา ง, บาง มูนมาแล้วก็มีไฟส่องเลยออกมาเป็นภาพเป็นภาพนูนในจอนูนก็มารู้เข้าไปในความรู้คือรู้ในเรื่องในราวที่มันเป็นเรื่องเราไม่ดูมันให้หลงเรากลับมาดูที่ฟิล์มก็เห็นว่าความจริงมันก็คือภาพที่มันออกมาในฟิล์มนี้ถูไฟส่าเข้าไปใส่จอผ้าข า, ขาวนูน มันไม่เป็นเรื่องถ้าดูในฟิล์มเห็นลูกพอนเห็นลูกผู้ยญิงเห็นลูกผู้ชายลูกยื้อลูกนั่งไปนี่ไม่เป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันไม่ถูกถ้าไม่ไปดูในจอเมื่อเรารู้ความคิดรู้อาการที่มันรู้จวว์ทั้งตาหูจมกูกริางกายใจมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นรา่าเห็นมันรักก็เลยเห็นอยู่ว่ามันรักแต่มันก็ไม่รักไปด้วยเห็นนารมณ์ที่ไม่พอใจมันเกลียดชัง ก็รู้ว่ามันเกียร์ชังแต่ไม่เป็นเจ้าของความเกียจ์ชังไปกับมันด้วยเรื่องมันก็จบลงจบลงจบลงทค่นั้นที่นี่เมื่อนานเข้านี่มันจะเป็นอภินญายะสะสมกันมากขึ้นมือนจะเป็นสัมโพธายะสัมโพธายะคือรู้พร้อมที่นี้มันแกะมันจะเห็นความรู้สึกอันเกิดขึ้นเบื้องหลังความคิด ความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็ดีโศกทุกข์ก็ดีที่เป็นเวทนาก็ารู้เข้าไปเองว่ามันเป็นเขามันเองอย่างนี้ทีนี้มันจะมีความรู้อย่างรรู้ความจริงในความรู้รู้ความจริงในความรู้จากอภิญญาญาธรรมดามาเป็นสัมโพ ธ, ธายะรู้พร้อมรู้พร้อมเฉพาะคือรู้ตัวความจริงของความรู้นั้น เมื่อเรารู้อยู่ตลอดกังนี้ก็กลับมารู้อีกอันหนึ่งว่าตัวผู้รู้นี้มันรู้เมื่อใช่เราไปรู้รู้ตัวผู้รู้อีกทีหนึ่งเราจะเห็นความจริงในนี้มากมาเขาเห็นความจริงมากเขาอย่างเช่นเราคิดขนันมาเรารู้ว่าเราคิด ต่อมาอมันจะรู้อีกสองฉบับรู้ว่ารู้ความคิดชนิดต้องฟังให้ละเอียดทีหนังว่าความคิดเกิดขึ้นรู้ว่ามันคิดแต่ก่อนหลงลงไปนในความคิดตอนหลังวันนี้ไม่ควรจะหลงกับมันเห็นว่าเป็นมายาสาไถ่เมื่อไม่หลง รู้ว่าตนเองหลงแต่ก่อนหลงก็ไปนในความคิดตอนหลังมารู้ว่าตนเองหลงเข้าไปในความคิดเหล่านี้ทําให้เป็นสุขเป็นเทือกตอนหลังไม่อีกรู้ว่ามันคิดเฉยเฉยเอาจะสับสนหรือไม่เอาใหม่แต่ก่อนความคิดเกิดขึ้นก็หลงก็ไปนในความคิดหลงรักหลงช่งพอใจไม่พอใจดีใจและเสียใจ ต่อมารู้ว่าตนเองลง้เข้าไปในความคิดลงดีใจเสียใจกับความคิดหลอมหลอมเร่งแรงนี่ขั้นที่สองนะแต่ก่อนล้มในรูปแบบนี้รู้ว่าลงตอนสามวันนี้รู้ว่ารู้รู้ว่าตนเองคิดรู้ว่าตนเองเห็นรู้ว่าตนเองได้ยินรู้ว่าได้กิน ทุกเมื่อรู้อยู่ทุกเมื่อทุกเมื่ออภิญญาญารู้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคิดปับ๊บรู้ปับ๊บคิดปับ๊บรูปับอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้เข้าไปในความรู้รู้เข้าไปในความรู้รรล่านี้ละเอยียดลึกลงไปไหนวาในขณะที่เราคิดปับ๊บเรารู้ว่าเราคิดบ่อยคิดอดีตคิดอนาคต ก็ช่างมันนี่คือความคิดทำไมรู้ลึกลงไปอีกทีหนึ่งรู้ความจริงในความรู้ว่าพอคิดปั๊บรู้ว่าคิดแล้วก็รู้ว่ารู้รู้ว่ารู้รู้ว่ามีอาการรู้ว่าคิดหูได้ยินเสียงปั๊บผมอ้ามนี่ ยังรู้ว่ามีอาการรู้ว่าได้ยินพอนั่งอยู่เจ็บปวดขึ้นมามันมันปวดมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปทีนะ่นามันก็รู้ว่าปวดแต่นี่มีสติรู้เข้าไในความรู้สึกนี้ว่าเออนี่มันรู้ว่าปวดเกิดขึ้นแล้วจะมีความรู้สึหนึ่งทับเข้าไปว่าเออนี่รู้ว่ารู้ว่าปวด มีหลายชั้นนะลักษณะนี้คือลักษณะของมหาสติปฐานเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตคำพูดสันส้นๆอมความหมายเสร็จเรียบร้อยลึกซึ้งมากแต่ถ้าดูให้ดีๆแล้วก็เป็นธรรมดาที่สุดโดยนั่งอยู่ยทั้งวันคิดทั้งวันทำอะไรทั้งวันลืม ลืมลืมว่าจิตนี้มันมีหรือว่าจิตนี้มีเลยไม่ได้คิดไม่ได้คิดรู้สึกว่าจิตมีอยู่จิตมีอยู่เพราะเหตุนั้นในหลักมหาสติปัฏฐานนสดเวลาท่านสลปเห็นจิตในจิตก็ดีเห็นเวทนาในเวทนาเห็นกายในกายเห็นธรรมนธรรมก็ดีท่านจะสรลปคำว่า อภิจิตตติวาปนัสสะสติปจุปิโตโหติยาวเทวยานัมตายปะปิติสติมตายะเห็นไหลนะแต่ว่ามีสติตั้งมั่นอยู่ว่าจิตนี้มีอยู่เพียงเพื่อสักให้รู้เพียงเพื่อสักให้ะระลึกแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น ฟังโถกหรือไม่เนอะให้รู้ว่าจิตนี้มีอยู่คือตัวผู้รู้เนี่ยจิตตัวผู้รู้ดีไม่อยู่เวลามันเก็บปวัดขานั่งสมาธิอยู่นานๆปวดขาขึ้นมาธรรมดาวิวญญาณตัวรับรู้โดยธรรมชาติวิญญาณธาตมก็รู้แล้วตัวเวทนาขันมันก็เป็นเจ้าของโอ้ยฉันปวดขาขึ้นมาแล้วรู้ว่าปวดแล้วก็รู้ว่าฉันปวดขาขึ้นมา ที่นี่ตัวจิตที่มันควบคุมอะไรต่ออะไรรับรู้อยู่ทั้งหมดนั่นนะจะให้มันรู้ได้ลงไปอีกวันนี้ปวดมีรู้ว่าปวดมีรู้ว่ารู้ว่าปวดรู้เฉยๆแล้วก็อืมรู้ว่ามีอาการปวดขาขึ้นมาแล้วก็รู้ว่า รู้ว่ามีอาการปวดตัวที่เข้าไปรู้ว่ารู้นี่อีกตัวหนึ่งตัวที่รู้เฉยๆตัวหนึ่งตัวที่รู้่ามีอาการปวดตึงตัวที่เข้าไปรู้ว่ารู้ว่ามันมีอาการปวดมันยังรู้สึกตัวของมันว่ามันเป็นผู้รู้ขึ้นมาไอ้ตัวนี้เรียกว่ารู้รู้รู้รูในความรู้รู้เข้าไปในความรู้ เข้าไปในความรู้แล้วก็รู้ความจริงในความรู้หัดหัดดูอยู่อย่างนี้แหละหัดดูอยู่อย่างนี้ความรู้นี่ไหม่มากให ม, ไม่ไม่ได้ท่องเอาเหมือนหนังสือเหมือนที่เราจะไปสอบนะมันไม่ให้รู้อยู่ตลอดเพราะมันคิดปับ๊บก็รู้ว่ามันคิดแล้วก็รู้ว่ามันรู้ว่าคิดเใช่ไหมนะคิดปับ๊บนี่รู้ว่ามันคิด อ๋นนี้มันคิดแล้วก็รู้ว่ามันรู้ว่ามันคิดต่นนี้รื้อยๆขึ้นไปอกีกเพื่อจะชำแรกชำแรกแหวกชำแร ก, แรกลงไปถึงธรรมชาติอันเป็นความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจาท่านใช้กัะบวนนิเพท่า อาศาบาลีที่เราใช้อย่างวัดของเรานิเพทะพลาลามอารามเป็นกำลังเพื่อชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกนี้ปัญญาหิเศธทั้งโลกสมิญญาอย่ายงนิเพทะคามมนีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโรคคือปัญญาที่ชำระกิเลสเราจะชำระรู้อันเดียวไม่พอ รู้เข้าไปในตัวรู้อีกทีนารู้ว่ามันรู้รู้ว่ามันมีอาการรู้เอาอย่างนี้ก็เลยว่ารู้ความจริงในความรู้แล้วมันก็จะแก้ปัญหากันได้ง่ายคือความรู้ขาดออกมาจากสภาพที่มันเป็นเจ้าของมันเข้าไปยึดครองไปอาศัยที่ภาษามาลีว่า นิสิตโตนิสิตานะนิสิตาไปว่าเข้าไปอาศัยแต่น้วิญญาณนี้จะไม่อาศัยน่จจะเมนิสิตังไม่อาศัยวิญญาณาังภวิสติติอย่างนี้มันก็มีควาว่านิสิตังโลกันนิสิตังอาศัยในโลก ทินจะจเมีะจามอานุสิตังนาจามีมิสิตังไม่มีการอาศัยวิญญาณนางภวิสตรีตที่คือตัวลูกปเปมาแจ้งการนันลูกวิญญาณวิจแนงความรู้แจ้งบริสุท์นี้ไม่อาศัย ไม่อาศัยอยู่กับเจ็บไม่อาศัยอยู่กับปวดไม่อาศัยอยู่กับสุขไม่อาศัยอยู่กับทุกข์มันหลุดออกมามันรูของมันเฉยยตัวรูมนุษย์ต่างหาในนี้มันมิกซ์อมันคล้าคลึงเป็นทางเดียวกันจนแยกกันไม่ถูกเพราะไม่ไม่เคยภาวนาภาวนาคืออบรมมันอันนี้มันละเอียดหน่อยท่านตังางๆจะต้องศึกษากันนะ เธอคลมหายใจทุกขณะจิตทุกขณะโอเวตนาเห็นจิตเห็นกายที่มันเกิดขึ้นเพแล้วก็จะเห็นเขาให้รู้เข้าไปในความรู้เวลาใดได้ยินเสียงอย่างนี้ได้ยินเสียงนกเราเป็นฝุ่นฝอยู่ในวัดนี้เรารู้โอ้วันนี้มันยังรู้ว่ารู้ว่ามันได้ยิน การรู้ว่าได้ยินการได้ยินเป็นเรื่องของหูรู้ว่าได้ยินเป็นเรื่องของอืวิญญาณของจิตรู้ว่ารู้ว่าได้ยินเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะเพื่อจะปอกเปลือกวิญญาณที่มีอุปท า, านที่มีที่อาศัย ห, ห่อหุ้มเปวกเปลือกของมันเนี่ยออกมาให้เป็นความรู้อันบริสุทธ วิญญาณบริสุทธิวิญญาณนังปริเกยยังวิญญาณนั้นเป็นเป็นเป็นสภาพที่จะต้องรู้เมื่อมีปัญญาปัญญารู้ไปถึงไหนวิญญาณก็ไปบอกความรู้แจ้งก็จะรู้ไปเท่านั้นปัญญาพัฒนามาได้แค่ไหนวิญญาณมันก็รู้เท่าทันได้แค่นั้นแต่ที่ตัววิญญาณ น, นี้พัฒนาไม่ได้พัฒนาให้มัน รู้อย่างอื่นเกินกว่าหรือจะให้มันดุดอยู่เฉยๆไม่ให้มันรู้อะไรเลยเมื่อหันตายมันไม่ใช่กิดกิดที่จะถูกต้องก็คือรู้ตัววิญญาณเองถ้าเรียกว่าวิญญาณปริยยังวิญญาณนั้นเป็นปริ ย, ยธรรมเป็นธรรมที่จะต้องกำหนดรู้มันคือความรู้เป็นสิ่งที่จะต้องรู้ให้รู้จริงๆขึ้น แต่ส่วนปัญญาเหาปัญญาความรอบรู้นั้นเป็นภาวิตาธรรมเป็นธรรมที่จะพัฒนาขึ้นมาได้ตั้งแต่เกิดมาเราอ่านกอไก่ไม่ได้ถึงฮอนกคูบเอถึงแซสไม่ได้แต่เราก็สามารถาพาเวตพธรรมภาเวภาวิตาภาวิตตาขึ้นมาเร า, าสามารถพัฒนาอบรมมันให้อ่านได้ให้มันเขียนออกให้มัน อะไรต่ อ, อะไรได้หมดนะนะตัวปัญญาพัฒนาได้หน้าที่ของเราที่จะต้องทําปัญญาให้เกิดให้มีขึ้นคือการอบรมให้เกิดขึ้นแต่วิญญาณนั้นไม่ได้ไปพัฒนาอะไรมันแหละปัญญารู้เท่าไหร่มันก็รู้เท่านั้นมีหน้าที่อันหนึ่งเกตที่จะต้องทํากับมันก็คือกําหนดรู้มันให้ยิ่งขึ้นถึเงเลยว่าวิญญาณ น, นั้นเป็นป ร, ริายายธรรมเป็นธรรมที่ต้องกำหนดรู็ รู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปในตัวความรู้เรารู้เข้าไปในตัวของความรู้ซึ่งเป็นธรรมชาติเอกเหมือนกันธรรมชาติแห่งความรู้ที่เป็นวิญญาณธาตุธาตุแห่งความรู้อันนี้มันอยู่เนื้อความรักคือเนื้อความชังอยื่เนื้อความขยันอยู่เนื้อความขี้เกียจมันเป็นความรู้โดยธรรมชาติอันบริสุทธิ์อยู่ ต่อเมื่อความรู้อันนี้ไปอาศัยวิญญาณังนิสสิโตวิญญาณให้อาศัยคือความรู้ความรู้ความรู้ไปอาศัยอยู่กับความร่างอาศัยอยู่กับความชังอาศัยกับความพอใจไม่พอใจอาศัยกับความเจ็บปวดอาศัยกับความเป็นสุขแล้วมันก็ไม่เป็นอิสระอความรู้นี้ก็มีเปลือกหุ้มเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้อุปทานเลยยึดขึ้นไปทีก็ทุกข์แหละ แต่ตายจะเกิดกันก็หยุดตรงนี้ถ้าหากไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายฮไม่มีเกิดด้วยไม่มีตายด้ว ย, ยฟังถูกหรือไม่คือจะเห็นส ภ, ภาพความรู้อันบริสุทธินี้ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของมันมันก็เป็นธรรมชาติมันจะเกิดไปไหนมันจะตายไปไหน มันอาศัยเหตุอาศัปัจจัยอยู่เท่านั้นมันไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการตายไปสำหรับตัวมันเองมันเป็นอยู่ชั่วพักชั่วขณะขณะขณะอันนี้ยังทุกขังอนัตตาอันนี้ังทุกขังอนัตตานในอนัตตานั่นก็ไม่มีอัตตาคือถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วสภาพที่ไม่มีตัวตนมันก็ไม่มีอีกเหมือนกันช่วนี้ละเอียดหน่นนอยนะจะเพิ่งสับอน ฟังกันใหม่อีกหนึ่งว่าเมื่อเรารู้เข้าไปในความรู้เมื่อกี้ท่านคงจะยังจํำได้ที่ผู้กันผ่านมาทุกๆครั้งที่ท่านสลบบทสลปของมหาสติปฐานอย่างเรื่องตายก็ดีเรื่องเวทนาก็ดีเรื่องจิตก็ดีเรื่องธรรมก็ดีอัตติ เวทนาติวาปนัสสสติปจุปิตาโหติยาวะเทวาญานมตายะปฏิสติมัตตายะอธิจิตันติวาปนัสสะสติปจุปิตาโหติยาวะเทวายานัมตายะปิติสติมตายะมีสติเข้ไปตั้งมั่นรู้ <laughs> ว่ากายมีอยู่ร่วเวทนามีอยู่ร่ว่าจิตมีอยู่ร่ววธรรมนี่มีอยู่เพียงสักว่าให้รู้เพียงสักว่าให้ระลึกช่วงนี้สั้นสั้ น, นแต่มีความหมายชนิดที่แยกขาดตอนออกไปไม่มีอะไรเงื่อน ง, งำให้สงสัยถ้ามาทําความเข้าใจให้ให้ชัดเจนหน่อยไม่ใช่อ่านเพียงสักลวกๆวกท่องกันสัวกันเททเถิ เมื่อว่าจิตนี้มันมีให้เรารู้มันเฉยๆไม่ได้มีให้เราไปเป็นเจ้าของมันยาวะเทวะยาณมัตตายะปฏิสติมัตตายะมัตตมัตตสักวะสักวะยาวะเทวะยาณมัตตายะสักว่าให้เรารู้ปฏิสติมัตตายะสักว่าให้เราแลลึกแลลึกอะไรแลลึกว่ามันมันมีอยู่เพียงเท่านี้ มันไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้และไม่ใช่ว่ามันมีอยู่ให้เราเป็นเจ้าของมันไม่ใช่ว่าจิตนี่มีอยู่ให้เราเป็นเจ้าของมันไม่ใช่ว่าเวทนากายจิตธรรมทั้งหมดนี่มีอยู่ให้เราไปเป็นเจ้าของมันท่านให้เรามีสติรู้มันทุกเงว่ามันมีแน right ่ๆทีนี้ที่ไม่ใช่มีให้เราไปเป็นเจ้าของมีปรากฏขึ้นมาด้วยอาศัยเหตุปัจจัยให้เรารับรู้ทราบ เดนี่อยู่ทั้งวันไม่รู้สึกว่ากายตนเองมีไปเตะสะดุดตีนแตกโห้โหตีนกูแตกแล้วมาให้มีกูขึ้นมามีกูเป็นเจ้าของกายขึ้นมาเวลากลุ้มใจขึ้ น, นมาทีหนึ่งก็แหมก็ ก, ก, н, กุ้มใจเหลือเกินฉันกุ้มใจเหลือเกินมีฉันขึ้นมาเป็นเจ้าของก้มมีฉันขึ้นมาแหมฉันมีความสุขใจเหลือเกินมีมีฉันขึ้นมาเป็นเจ้าของความสุขใจ แต่ไม่รู้จากความจริงว่ามีใจขึ้นมาไม่ให้มีฉันอยู่ในใจเพราะเห็นนั้นจะมีคําว่าอัธิจิตตันติวาปนัสสะสติปั จ, จุปติโตหิยาวะเทวญาณัมตายะปฏิสติมัตตายะมะจะเม anusito ว, วิญญาณังเจตมีโยมีสติเข้าไปตั้งมัน่นในจิตว่าเจตมีโยเพื่อให้ละลึกเพื่อให้ รู้ว่ามันมียเหตุปัจจัยอันนี้ไม่ใช่ให้เราไปเป็นเจ้าของมันเดี๋ยววิญญาณจะไปอาศัยในกายในเวทนาในจิตเนี๋ยนี้มันอาศัยอยู่ในกายในเวทนาในจิตทํามันโศกมามันก็อาศัยทั้งโศกทุกมาอาศัยทุกเพราะเหตุ น, นั้นตรงนี้สําคัญมากพริยาเจ้าทั้งหลายท่านรู้ชัดเจนถึงสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นธรรมชาติที่อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยกันอย่างนี้ เป็นปัญญาที่จะชำระ ก, กิเลสนิเพเทธปัญญาปัญญาชำระ ก, กิเลสในนี้เราทำสมาธิทำภาวนากันเกือบลมเกือบตายตื่นดึกลุกเช้าเติมตีสองตีสามมานั่งทำความเพียรกันพอละสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเฉพาะนั่ง แะมีความป่าเถนาลามกที่จะเป็นฤทธิ์เป็นเดชมีหูที่ตาที่เพาะเพื่อนโดยอากาศสร้างวัดสร้างวาใหญ่โตชื่อเสียงโด่งดังขับฟ้าขับแผ่นดินนี่มันตเลตเลอตเลอเตลเอทสกายทั้งขนาดนั้นจะว่าโง่หรือฉลาดมันไม่เป็นไปเพื่อความรู้มาให้เรารู้ว่ามันมีอยู่มันมีอยู่เพียงเท่านี้เมันมีอะไรมากไปเกินกว่านี้ก็เราทั้งหลายได้เข้าใจจากนี้ที่นี้ เมื่อเรารู้ว่ามันมีอยู่อย่างนี้รู้มากๆเข้า ว, ว่ามันมีอยู่ทุกขณะได้ยินเสียงทุกขณะที่เห็นรูปทุกขณะได้กินทุกขณะได้รสทุกขณะที่จิตใจคิดรู้ว่ารู้ว่ามีการได้เห็นรู้ว่ารู้ว่ามีการได้ยินรู้ว่ามันรู้ว่ามีความคิด รู้ว่ามันรู้ว่ามันได้สัมผัสอะไรอยู่อย่างนี้นานเข้านานเข้าตัวผู้รู้ถูกรู้ละเอียดขึ้นก็จะมีความคิดอีกอันหนึ่งมีความรู้อีกอันหนึ่งว่าเอ๋ที่มันรู้นี่ใครเป็นผู้รู้กันแน่ใครเป็นผู้เข้าไปรู้ใครเป็นผู้รู้ เย็นรู้ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้เมื่อรู้แจ้งรู้สว่างรู้สุขรู้ทุกข์รู้เจ็บรู้ปวดใครเป็นคนรู้เมื่อเรารู้เข้าไปมากๆมากๆมากๆมากๆอย่างนี้เรียกว่ามันจะเกิดไตรณะขึ้ันมานะไตรณะปริญญารู้พิจารณาของมันขึ้นมาเองว่าเอ๊ะมีใครเป็นคนรู้ขึ้นมาฉันไม่ได้ตั้งใจจะรู้แล้วมันก็ไม่ขี้เกียจไม่ขยัน กันคอือเมื่อเมื่อเปิดไฟปับ๊บมันก็รู้ว่าสว่างขึ้นมาเองมันโดยไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะรู้หรือฉันลืมรู้ว่าสว่างเปิดไฟอยู่ฉันก็ไม่รู้ว่าสว่างดับไฟฉันก็ไม่รู้ว่ามืดไม่ใช่ตัวนี้เขารู้เขาอยู่เพียงระดับนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งมืดแจ้งสกุกทุกเจ็บปวรดรวู้เล่าเขารู้เขาเองโดยเราไม่ได้ตั้งใจไปรู้ แล้วใครเป็นผู้รู้อันนี้ผู้รู้นี้ไม่ขี้เกียจผู้รู้นี้ไม่ขยันเขาหากรักบรู้รับทราบอยู่อย่างนี่เมื่อความรู้ได้เป็นอภิญใายะรูย้ยิ่งขึ้นมันก็จะกลับมารู้พร้อมเฉพาะตัวของมันที่เป็นผู้รู้ทั้งหมดแล้วมันจะเกิดเป็นปฏิโลมตีกลับกลับมาหาตัวมันเป็นสจานุโลมยิายานยานที่รู้ไปตามความจริงสัจจะ ความจริงอันนี้ว่าเอ๊ะเอนี่มันใครเป็นคนรู้รู้ไปหมดเลยรู้เหมือรู้แจ้งรู้อ่อนรู้แข็งรู้เย็น ร, รู้ร้อนทั้งหมดเนี่ยใครรู้มันจะถึงคําถามและคําตอบพร้อมกันที่เป็นตัวสมุไทยและตัวนิโรธจะสวนทางกันตรงนี้สมุไทยเป็นคําถามนิโรธเป็นคําตอบใครเป็นคนรู้ขึ้นมาเอ้า คาตอบมันก็จะสวนมาแบบฟ้าสายฟ้าแรบทันทีเหมือนกันว่าอ้าวไม่ใช่ใครโว้ยไม่ใช่เรารู้โว้ยมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติแห่งความรู้อันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ใครไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนานี้ไม่ใช่จิตบุคคลตัวตนเราเขาไี่ใช่สัตว์บุคคลที่ไหนทำทั้งหมดสภาวะทั้งหมดที่รู้และไม่รู้ ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจะเห็นความจริงว่าไม่ใช่เราโอ้ยแม้แต่ตัวรู้เมื่อรู้แจ้งรู้อ่อนรู้แข็งรู้เย็นรู้ร้อนทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เรามันเป็นของมันเองอย่างนี้อาศัยเหตุอาศัยอย่างเงี้ยเมื่อมันมีคำตอบที่เป็นตัวนิโรธในชั่วขณะสายฟ้าแลบเท่านั้นเองมันก็บว่างว่างว่าง ความสงสัยในมัคคปฏิปทาคูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าประธรรมประสง์มันก็หมดสิ้นไปมันจะสงสัยทำไมมาถึงตรงนี้ละล้าวจิตวนันไดเดินทางมาถึงที่สดอันนี้ถึงที่สดแห่งความรู้ความจริงในความรู้รู้ในความรู้แล้วมันก็มารู้ความจริงของความรู้เนะ แต่ก็รู้เข้าไปในความรู้ได้ยินก็รู้ว่ารู้ว่าได้ยินคิดขึ้นมาก็รู้ว่ารู้ว่ามันคิดมันรู้ว่ารู้ว่ามันคิดเนี่ยว่ารู้เข้าไปในความรู้ต่ว่ามันก็รู้ความจริงของความรู้เป็นปะ h านะปิญญาเข้ามาเลยสิปะ hana ปิญญารู้จนละ ละที่ไปเป็นเจ้าของเจ้าของจิตเจ้าของเวทนาเจ้าของตายเจ้าของธรรมมหาสติปัฏฐานทั้งสี่ที่พูดดังนั้นก็เพื่อจะาละเพราะฮันสลบแต่ละครั้งก็มีว่าสติมาสัมปชานโนสัมปชานโนสติมาวิเนยะโลเกปิชาโทมานัสสังมีสติสัมป ช, ช, ช, ชัญญะคือรู้พร้อมรู้ยิ่งรู้พร้อมแล้วก็ทอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้ ความพอใจไม่พอใจที่มีในรูปเสียงกลิ่นรสที่มีในการในเวทนาในจิตในทำกระทอนออกมามันก็เป็นปหาน m a p a r i y เมื่อมันรู้ความจริงตัวผู้รู้รู้ตัวเองว่าเป็นธรรมชาติไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครเขาเป็นเขาอย่างนี้ ตัวที่เคยหลงไปเป็นเจ้าของมันก็หมกปัญหาการปล่อยวางเกิดขึ้นโดยไม่ต้องปรารถนาความปล่อยวางความเบาเกิดขึ้นเมื่อวางหาบลงโดยไม่ต้องปรารถนาความเบาฉันใดมันมาถึงตรงนี้เองเกิดสัจจานุรมิกยานตามสัพสมนุนของภาษาพิธ ร, รมฮม <c oughs> รู้ความจริง ของความจริงอันนี้ขึ้นมามันก็มีอาการปล่อยวางของมันเองเรื่องมักปรากฏขึ้นอริยสัตว์ทั้งทุกข์ทั้งสโมโอไทยทั้งนิรอดหมดสงสัยแล้วมักมก็โผล่ขึ้นมาความจริงมักก็คือการปฏิบัติตามเส้นทางที่จะเห็นสิ่งเหล่านี้แหละเราก็ทํามานานแล้วแต่มันยังไม่มั่นใจว่ามันถูกต้องหรือไม่ แต่พอมันมาเห็นความจริงของความรู้ว่ามันรู้เองอย่างนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่ไหนมันก็หมดปัญหาแล้วก็มั่นใจทางอันนี้คือทางที่ถูกต่อห้องไม่ต้องไปถามใครอคตถังกถีไม่ถามใครอีกแล้วพระศาสดาถ้าหากพระองค์มีพระชนมายุอยู่ก็จะเป็นกราบกราบไม่รู้จะกี่ร้อยกี่พันฮอนที่มีความคิด ถึงบุญคุณที่ท่านได้บอกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ให้ห้องทางอันนี้ไว้ให้ครูบาอาจารย์ก็คิดถึงบุญคุณของท่านสาุขภาสดุดโห่ท่านพูดเกือบล้มเกือบตายท่านสอนเราวันนี้เราก็เห็นเราเพียงทำเพียงมาเพียงแค่นี้แล้วก็พบแค่นี้ถ้าจะทำต่อไปอีกมันจะพบมากยิ่งกว่านี้ที่มันละเอียดละเอียดว่าจิตช น, นิดนี้จะเรียกว่าจิตอะไรไม่มีชื่อไม่มีชื่ออย่าไปตั้งชื่อ เะ่ปเรียกว่าจิตพออรหงหันอรมุนที่ไหนก็ช่างเถิดเป็นคําสมมุติเรียกกันในกลุ่มชนสมัยโบราณในอินเดียแต่จิตอันนี้อาภูตังอาชาตังไม่เกิดไม่เป็นเป็นพอรหันมันก็ไม่เป็นดอกเป็นอะไรมันไม่เป็นมันก็เห็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์อันนี้แหละไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ไปเป็นอะไรมันได้ไม่มีความลึกลับอะไรเลยเป็นอย่างนั้น จะเจ็บจะปวดจะรู้ว่จะเล่ามันก็มีอาการรู้ว่าเจ็บปวดรู้ว่าเลาแล้วก็รู้ว่ารู้ว่าปวดอีกทีหนึ่งแล้วก็เห็นความรู้นั้นว่าไม่ใช่เราเป็นเจ้าของความรู้เราไม่มีในนั่นนั่นไม่มีในเราพอ mm. ถึงตนี้มันก็เห็นอนัตตาชัดเจนและอนัตตาอนัตตาอนัตตาจิตอยว่างว่างว่างว่าง ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราเป็นไข่เป็นเขาเป็นแพ้เป็นชนะเป็นดีเป็นช่้มาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าเอาความจริงอัตตานี้มันมันไม่ได้มีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วและอนัตตานี้อีกก็เหมือนกันไม่ม ไม่มีคำว่าอาัตตาไม่มีคำว่าอานัตตาฟังโถกหรือไมเนี่มันคล้ายๆกับถอดแว่นตาดำนะฟ้าแจ้งจลางฟางความมืดที่มีอยู่ในแว่นตากับความมืดจริงๆที่ตาหลงเข้าไปนั้นมันไม่มีด้วยกันทั้งคู่มันไม่มีด้วยกันเพียงแต่มันเป็นฝ้าฟางบังเอาไว้เลยหลงว่ามันมี ้อง ว, ว่ามันมีอยู่ในตาความจริงมันมีอยู่ข้างนอกนู่นไปกลุ่มเช็ดแว่นตาทําให้มันสะอาดแค่ไหนก็ยังมืดทํายังไงก็ยังมืดอยู่แต่พอถอดแว่นตาออกแล้วความมืดนั้นหายไปไหนแว่นตาดําำฉันใดว่าฉันนั้นเดนี่เราปฏิบรรัติทำฟังครูบาอาจารย์พวกก็ฟังแล้วศึกษาเราเรียนมาก็เรียนแล้วเกี่ยวร้อมเกือบตาย รู้เต็มปากเต็มคอท่องกับปากเปียบปากฉาอันิจังทุกขังอนาตาไม่เทียงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน <c oughs> ทื่จะทํำยังไงแต่เสร็จแล้วมันไม่เห็นมันไม่เห็นปฏิบัติทำตัดเขี้ยวกับฟันแบบล้มกับตายเพื่อจะปล่อยวางอัตตาหมอนั้นนี่มันมีอัตตาฉันจะปฏิบัติเพื่อเห็นอนาตาอนาตานั้นเราต้องการจะให้มันเป็นอนาตา ไม่ต้องการอัตตาแต่เดี๋ยวนี้มันมีอัตตาพอทําไปจนเหน็ดจนเหนื่อยในที่สุดมารู้ความจริงอันนั้นรู้เมมแต่ตัวที่รู้ว่าอัตตาและอนัตตานี่ก็ไม่ใช่เราอีกแล้วมันเป็นธรรมชาติของมันและมันก็เกิดก็ดับเพราะมันอีกด้วยเหมือนกับไฟฟ้าที่มันสว่างสวาง่างนี่แงนิจังตัวนี้นั่นแหละอนัตตาควบคุม โมทุกอย่างคือไม่ใช่เราไม่ว่าจะเป็นรู ป, ประธรรมในนามประธรรมแต่ใะว่าในที่สดุดปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนเหนื่อยจนอยากจะโผคอตายว่าตนเองไม่บรรลุธรรมนั่นแหละคืออัตตาที่สดุดแต่พอปฏิบัติไปความทุกข์มันเจือจางลงเจือจางลงมาลู่ความรู้รู้ไปนในความรู้เลยรู้ความจริงในความรู้รู้ความจริงของความรู้ว่าไอ้ตัวที่มันรู้ เย็นรู้ ร, ร้อนรู้อ่อนรู้แข็งรู้เมือ่อรู้แจ้งรู้สว่างรู้สุกรู้ทุกข์นี่มันรู้ของมันเองไม่ใช่เราก็จะเห็นอาณาตาเมื่อเห็นอาณาตาแล้วอาตาและอาณาตาก็จะเห็นว่ามันไม่มีทั้งอาตาและอาณาตาเพราะเหตุ น, นั้นคำพูดสั้น อเช่นว่า น, นัธทิอัตตากุโตนิรัตตังวาในเมื่ออัตตาตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนจะมีมาจากไหมมันไม่มีทั้งตัวตนและสภาพที่ไม่มีตัวตนตรงนี้เองที่เราสวดกันสะเพธมานานัตตาตีทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้มันก็ดังนี้อยู่ทุกคนนั่นแหละดังนี้ แต่มันไม่เห็นแต่ถ้ามันเห็นแล้วมันก็ดังนี้จริงๆทั้งกายทั้งจิตทั้งตัวรู้และสิ่งที่ถูกูและตัวผู้รู้ก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนดังนี้แต่ก่อนนี้จะถึงไม่เห็นไม่ใช่ตัว ต, วตวนนี้มันจะต้องมีตัวตนอย่างยิ่งใหญ่พอบฏิบัติศึกษาละเอียดเข้าลึกกับเบลึกข้าไปจน สติสัมปชัญญะสมบูรณ์เป็นอภิญญายยสัมโพธา ย, ยะแล้วมันนิพพานายะดับดับเล้งซึ่งความยึดมั่นว่ามีอัตตาและอนัตตานั้นรู้ว่าเฮานี่มันเป็นธรรมชาติที่มันมีโชว์เป็นอยู่อย่างนี้โรยไม่ใช่เราจะเขาทิ่งไหนมันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างนี้มันไม่ใช่ตัวตนและก็ ไม่ใช่สภาพที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่มีตัวกันเมื่อเขเกิดตายถ้ามันไม่มีความเกิดความตายมันจะมีมาจากไหนถ้ามันจะมีความตายอยู่ความเกิดมันก็ต้องมีแน่นอนถ้าอยากให้อายุยืนือก็อย่าตายถ้าไม่อยากแ ก, ก, ก่อยากเท่าก็อย่าอยากอายุยืนเลยมันก็อยู่ความนี้เอง ถ้ายาอายุยื้ก็ต้องยอมรับความแก่เท่าถ้ า, <t> ถายังตายอยู่มันก็มีการเกิดมีเกิอย่ก็ต้องมีการตายพูดง่ายๆแต่มันเข้าใจยากเพราะไม่ภาวนาถ้าภาวนาเห็นอนัตตามันจะเห็นทั้งเกิดทั้งตายว่างๆด้วยกันทั้งคู่แหละพอเห็นนั้นท่านจึงกล่าวว่านัธทิอัตากุโตนิระตังวาเมื่อสภาพ อัตตาเมื่อตัวตนไม่มีเสียแล้วสภาพที่ไร้ตัวตนก็จะมีมาจากไหนไม่มีด้วยกันทั้งคู่เหมือนกับการจากกันกับการากกกบกพบกันถ้าการพบกันไม่มีการพลาดพลาดกันจะมีมาจากไหนเป็นนี้ปฏิบัติทำกันเพื่อจะดับเพื่อจะละอัตตาแต่ไม่รู้จากตัวอัตตามันก็เลยเป็นทุกข์ ถ้าลุจักตัวอัตามันเป็นอนณาตาแล้วมันก็ไม่มีด้วยกันทั้งคู่ทั้งอัตาและอนณาตามันเหมือนกับคนที่ไม่เคยบวชเลยแต่ถูกผีสิงเข้าอันหนึ่งในใจมีความรู้สึกเป็นวิปรา้าวสัญญาวิปรา้าวเขาจะว่าเราเป็นพระเต็มตัวแต่ไม่พอใจในสภาพที่ตนเองเป็นก็เวลาบุบลาศึก ไปเที่ยวหาอุปชาอาจารย์กระผมขอลาศึกกระผมขอลาศึกไปกราบอุปชาอาจารย์วัดไหนท่านก็บวชศึกยังไงก็คุณไม่ได้บวชมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วคนนี้ก็ยังไม่เชื่อสัญญาวิปราชจิตใ จ, จวิปริตความเข้าใจวิปริตจิตใ จ, จวิปราชคาดเคลื่นอนโดยอํานาจแห่งผรีสิงค์คืออวิชชา เขเที่ยวไปขอลาคูบาอาจารย์ขอสึกขอสึกขอสึกอาจารย์แม่ก็บอกว่าสึกไม่ได้คุณไม่ได้บวชมาอยู่แล้วคุณจะสึกไปทําไมไม่ต้องสึกพราคุณไม่ต้องบวชไม่ได้บวชมาแล้วจะสึกไปทําไมคนนี้มันก็บ่นวายอยู่ทางปไปไปเที่ยวฮาลาสึกแต่วันหนึ่งสัญญาที่วิปลาสนั้นกับสู่ปกติผีเข้าก็ออกไปอวิชชาออกไปอุออปอาทานออกไป ความรู้สึกสมเปลดีมันก็เกิดขึ้นว่าอา้าวฉันไม่ได้บวชมาแต่ไหนแต่ไรแล้วฉันจะสึกไปทำไมฉันเป็นบ้าหรือในเมื่อส ภ, ภาพในเมื่อการบวชไม่ได้บวชแต่แล้วการสึกจะมีมาจากไหนฉันในวัฉะนนั้นในเมื่ออัตตาไม่มีสภาพที่ไรอัตตาตัวตนไม่มีสภาพที่ไรตัวตน จะมือมาจากไหนตัวนี้ต้องรู้ให้มันชัดลงไปรู้วันนี้ไม่พอสองวันไม่พอสามวันตีวันหัดรู้เข้าไปในความรู้จนการรู้ความรู้เท่าทันกันเป็นอภิญญายะและจะเกิดสัมโพทายะรู้พร้อมเฉพาะทุกข์กิจไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่รังไลกันขมับกระทบมันรู้ทางนั่น เมื่อมันรู้เต็มที่แล้วมันสึกรู้ของมันมันก็จะตีกลับเป็นปฏิโลมเป็นสจัานุโลมิเกยานความรู้ที่ตงตีกลับมารู้ตัวของมันเองว่าฉันคือกายทําไมฉันไปเที่ยวรู้อันนู้นเที่ยวรู้อันนี้มากมายกายกองกันเหลือเกินตัวรู้นี่คือใครเมื่อดูเข้าไปในตัวรู้แล้วก็ไม่มีใครอีกทีนี้ไม่มีใครอีก เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาที่ไหนในความเป็นอนัตตามันมีความไม่เที่ยงอยู่ในตัวของมันเองด้วยตัวรู้นี่ก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้มีสภาพรู้อยู่อย่างนี้แล้วก็ดับไปอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตดวงเดียวอันนี้จิตตังอิตติ ป, ปิมโนอิทติ ป, ปิวิญญาณังอิทติ ป, ปิจิตก็ดิมโนโก็ด้วิญญาณก็ดิเป็นคําเลือกอันเดียวกันเนี่ท่านบอกว่าอัญญะเทวอัญยัง อุปจิติอันยังนี้รู้จิติอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับอันหนึ่งเกิดขึ้นอันหนึ่งก็ดับดีใจเกิดขึ้นเสียใจก็ดับไปเสียใจเกิดขึ้นดีใจก็ดับไปอยู่รู้อะไรไม่ได้มีเกิดมีดับอย่างนี้แต่ตัวผู้รู้ที่เขาไปรู้อย่างรู้เข้าไปทีรู้ทุกขณะจนไม่เป็นเจ้าของทั้งดีใจทั้งเสียใจและกลับมารู้ตัวที่เขาไปรู้เขารู้ว่าดีใจรู้ว่าเสียใจรู้ว่ารู้ว่าดีใจรู้ว่าเสียใจนี้ ดูไจะจากๆก็จะเห็นอนัตตาในนี้ว่าไม่ใช่เราหู้ยมันเป็นธรรมชาติของมันมันก็ไม่ผิดกับเราไปดูหนังครั้งแรกเราหลงเข้าไปในสิ่งที่เรารู้เหมือนกับเราดูจอหนังเราก็หลงเข้าไปกับเรื่องรักเรืงชังเรื่องพระเอกนางเอกกอจูรูความวันหลงเข้าไปต่อมาก็มารู้ในอาการที่ตนหลงพราะว่าอ้าวเราหลงเราหลงดูภาพ ธรรมดาอยู่ในผ้านี้ไม่ได้เรื่องกินจังอะไรต่อมาเกณฑ์ที่มีรู้เข้าไปในความรู้แทนที่จะไปดูในจอเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องโน้นเรื่อง น, น, องนี้เรื่องรักเรื่องช่งไอ้นุ่มซินตึง้งเรื่องอะไรต่างๆมันจะเกิดขึ้นเรากลับมาดูที่ฟิล์มอันเป็นต้นกําเนิดให้มันเกิดภาพอยู่ในจอเราก็จะเห็นม้วนฟิล์มมันไหลเป็นมวลเป็นมวลแล้วก็ไฟสับ แล้วก็เห็นลูกคนนัง่งคนยืนคนเดินคนนอนอยู่ในนี้มีเท่านี้ไม่เป็นเรื่องเป็นราวไม่เป็นเรื่องเป็นราวบอกเกิดตรงนี้ยังไม่เป็นเรื่องมันจะไปเป็นเรื่องตรงที่จอที่เราดูนี่มันก็ตัดปัญหาความกำนังความพอใจความเผลิดเพลิมความเกลียดความชังความหลงเข้าไปเด้มากในขณะที่เรารู้ในขณะที่ดูในฟิลไม่เป็นเรื่องต่อมาอีกเรามาดูความจริงอันนึงตัวที่นําภาพนี้ ส่งเข้าไปสู่สู่จอจากภาพแห่งเฟรมสู่จอนนั่นคือไฟที่มันเจิดจ้าส่องผ่านพอเราเข้ามาดูตัดไฟจริงๆว่ามันคือใข่มันก็ไม่มีรูปภาพอันใดทั้งสิ้นมันก็มีแต่สว่างเจิดจ้าอันมาจากกํำเนิด generator น, นู่ น, นกาเนิดแหล่งไฟฟ้าของมันมันก็ผ่านภาพนี้ออกไปส่าภาพเข้าสู่จอ ก็เห็นไฟอันสว่างเจิดจ้านี้ก็เหมือนตัวรู้ธรรมชาติตรู้ธรรมชาตินี่มีอะไรเมื่อเกิดดับเกิดดับอีกเมื่อกันมีอันิจ้จังอยู่ในนี้แล้วมันก็เลยเป็นอนัตตาจะเป็นผู้ยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อจิตได้พัฒนาตนเองมาถึงขนาดนี้ความรู้ทั้งในระว่ารู้เข้าไปในความรู้รู้ความจริงของความรู้ ความจริงของผู้รู้แล้วก็จะรุ่นรู้ครั้งแรกรู้ว่าหลงนี่พัฒนาขึ้นมาหน่อยแล้วจากสัญชาตญาณจาก Instinct อ f ฟไลนมาเป็น i ิน e l l e ็ t u a l หลังจากนั้นจาก i ิน e ทเล็ก u a l มาเป็นอินเ l เล็กชุนโก้คือเมื่อรู้ว่าตนเองหลงแล้วก็มารู้เข้าไปในความรู้พัฒนาตัวรู้ขึ้นมาจนเป็น Intuitive w i s ด o m เป็นความรู้ที่สว่างสวัยเจรจ้าขึ้นมาปลดปล่อยพันธนาการที่ขอบงำอย่างนี้ก็เรียกว่ารู้เข้าไปในความรู้แล้วก็มารู้ความจริงของความรู้แล้วก็รู้เหนือรู้ให้รู้เหนือรู้นี่จะต้องมาอธิบายนิดหน่อยเวลาเราคงจะหมดแล้วรู้เหนือรู้ทั้งปวงมัจน เป็นปะหานะประิญญารู้จนระความเป็นเจ้าของสิ่งใดจิตได้รลุดพ้นอะภูตังอะชาตังไม่ไม่เป็นไม่เกิดเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เป็นอย่าไปเรียกว่าจิตพระอรหอกอรหันต์ลามุนอะไรเถอะไม่มีไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรทั้งนั้นคนตั้งเชื่อให้ถ้าจิตจิตที่รู้เนื้อรู้อย่างนี้หลุดออกมาไม่เป็นเจ้าของ แม้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที้นตนเองจะตายจิตชนิดนี้ไม่ไม่หวาดกลัวต่อความตายไม่ชื่นชมกับความเป็นอยู่มันก็จะดูตนเองตายเหมือนไปเฝ้าดูคนอื่นตายเหมือนเราไปดูพี่น้องคนที่เรารักเราหน้าถือทั้งกำลังเกิตายผู้เฒ่าผู้แก่หรือใครก็ตามเราจะดู ตัวเราตายมือกำดูคนอื่นตาย ส, สิ้นไปเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปจิตดวงนี้ยังไม่ยินดีไม่ยินร้ายนาพินันทามิมรนังนาพินันทามิชีวิตังกาลังจะปฏิการเขวานิพิสังวัตหอยถาไม่ชื่นชมในความเป็นโยไม่ยินดีในความตายรอคอยเวลานั้นมาถึงเหมือนลูกจ้างรอคอยเวลาสิ้นไปแห่งการทํางานมันไม่ดิดแปลกกันเลย เพราะเหตุเจนนั้นจิตที่ได้พัฒนาความรู้หนึ่งรู้ขอให้ท่านทั้งหลายได้พัฒนาเถิดทั้งจะเป็นอย่างนี้รู้หลงลวไปในความรู้และรู้ในความหลงรู้ความจริงในความรู้ในความรู้รู้ความจริงในความรู้และสุดท้ายรู้หนึ่งรู้แม้เวลาจะสิ้นใจตายฝึกทุกวันเห็นทุกวันในขณะที่มันหลับกับตื่นหลับได้แยกออกจากตื่นตรงไห น, น เห็นทุกวันการหลับกับตื่นนั้นเหมือนกับเกิดกับตายเหมือนกับตายกับเป็นที่มันแยกออกจากกันมีสติอยู่ทุกเมื่อในขณะที่นอนจะหลับแล้วก็จะเห็น